เือลักิเลสจะละกิเลสไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นกิเลสที่จะละได้ถ้าแยกไม่ออกอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใป็กิเลสก็ไม่รู้ว่าจะละอะไรมรู้ว่าจะละตรงไหนดูจะทําความเย็นเปนยังไงเขาแยกไม่ออกกิเลสมันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงลักษณะกิเลสหน้าตากิเลสมันเป็นยังไง ต้องเห็นหน้าตากิเลทให้มันชันเลยดูไหม่หน้าตากิเอทเป็นยังไงถ้าใครรู้ว่าหน้าตากิเอทเป็นยังไงคนนั้นจะแก้ไขตัวเองได้แล้วก็จะลากกเกลเอทได้แต่คนที่ไม่รู้ว่าหน้าตากเกลเอทเป็นยังไงเนี่ยก็แก้ไขไม่ได้ละ ไ, ไม่ได้กเกลเอทรู้มั้ยนะเกลเลทเป็นยังไงอยากจะรู้ไหม อ, อยากรู้อยู่ S <S <S แสดงว่าไม่รู้มากอ่อนกิเลสเ่็นอะไรกิเลสก็คือสิ่งที่เป็นอยู่รอบเราทั้งหมดนั่นแหละการกินการนอนการพักผ่อนการปฏิบัติเดินโยโกผานาเป็นกิเลสเท่านั้นนะกิเลสเท่านั้นทาบุญให้ทานรักษาศีลเปกิเลสเท่านั้นแหละเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นกิเลสเราไม่รู้เราแยกออกเราแยกออกแค่ว่าสิ่งที่เป็นกุศลกับสิ่งที่เป็นอกุศล เนี่ยเราแยกออกแต่เราแยกกิเลสออกจากตัวเราแยกไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่ากิเลสมันคืออะไรกิเลสเป็นยังไงมันอยู่ตรงไหนกิเลสมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดเพราะเรายังมีกิเลสอยู่คือทั้งหมดนั่นีหยคือตัวเราตราบใดที่กิเลสยังมีอยู่ในเราก็ทั้งหมดที่มีอยู่ในเราในนั้นคือเป็นกิเลสทั้งหมดเลยกายวาจาใจสิ่งที่คิดเป็นกิเลสสิ่งที่พูดก็เป็นกิเลสสิ่งที่ทําก็เป็นกิเลสแม้สิ่งที่ทํานั้นจะเป็นสิ่งที่ทําดีก็ตามก็เป็นกิเลส สิ่งที่พูดแม้จะพูดดีก็าตามก็เป็นกิเลสสิ่งที่คิดแม้จะคิดดีก็าตามก็ยังเป็นกิเลสอยู่ทีนี้จะทำมันยังไงมัเนเป็นกิเลสทั้งหมดเลยในตัวเราจะทำมันยังไงน <c oughs> ะฮ <c oughs> ะละละยังไงออถ้าบอกว่าทาดีเป็นกิเลสก็ละดีเหรอฮะพูดดีเป็นกิเลสก็ไม่ต้องพูดเหรอดีอยป็งไง ทำดีเป็นกิเลสก็ไม่ต้องทำดีใช่ไหมทำงี้ดีวก เ, เป็นกุศลนี่นั่นเห็นไหพูดถึงกุศลอีกเนี่ยก็อบอกแล้วกุศลก็ยังเป็นกิเลสพูดถึงการที่จะละกิเลสเนี่ยเราจะละมันยังไงจไม่จําชัดก ว, ว้างมาันจะกว้างไหมมันเป็นตัวราอความคิดของคนมขคิดว่า ถ้ามเมื่อตัวเราทั้งหมดเป็นกิเลสแม้ทำดีก็เป็นกิเลสทำไม่ดีก็เป็นกิเลสเนี่นก็ไม่ต้องทำอะไรก็ถึงยังไม่ใช่กิเลสไม่ทำอะไรก็เป็นกิเลสอีกเนี่ยนี่เนี่ยงงไปใหญ่ไม่รจะปฏิบัติยังไงพะออระยอดจึงบอกว่าทางดําเนินสายกลางมีอยู่ทางดําเนินสายกลางคืออะไรหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบนี่เนะี่ยปิธีจร ะ, ะตัวนี้นะ เนี่ยบีตีมันอยู่ตรงนี้วิตีจะละทิเลตทำดีทำไม่ดีเราก็ทำเป็นปกติกันอยู่แล้วทำเป็นปกติกันอยู่นล้แต่ผู้เยาะบอกให้เห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไรเห็นทุกเห็นเหตุที่เกิดทุกเห็นความดับทุกเห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกในเห็นชอบตัวเราจะทำดีหรือทำไม่ดีก็ตาม มันเป็นที่ตั้งของกิเลสได้เท่านั้นคือขันอันเป็นที่ตั้งแห็นความยึดมั่นขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเรียกว่าขันห้ามันเป็นที่ตั้งของกิเลสอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเป็นที่ตั้งของกิเลสเอง เพาะมีกิเลสเนี่ยจึงเกิดการยึดมั่นถือมันหมดกิเลสก็หมดการยึดมั่นถือมันทีนี้เมื่อมาทราบความหมายว่าหมดกิเลสคือการหมดการยึดมั่นถือมันแต่ขันยังมีเมื่อขันมันยังมีอยู่ขันก็ไม่ใช่กิเลสเพราะกิเลสหมดแสดงว่าตัวขันไม่ใช่กิเลสแน่นอนแต่กิเลสอาศัยขันเกิดขึ้นแต่เมื่อกิเลสอาศัยขันเกิดขึ้นขันนั้นจึงถูกเรียกว่าเป็นกิเลสทั้งหมดคือตัวเราทั้งหมดเป็นกิเลสเพราะเรายังรักมันไม่ได้รักกิเลสมันไม่ได้ กิเลสกับเราจึงเป็นในเดียวกันและแยกกันไม่ออกเป็นเนื้อเดียวกันหมดทุกอันทุกอย่างในตัวเราทั้งหมดในขันนี้รูปขันมันไม่ใช่กิเลสก็ตามแต่มีกิเลสอิงอาศัยอยู่ก็เลยเรียกมันว่าเป็นกิเลสขึ้นมารูปเป็นกิเลสคือก่อให้เกิดกิเลสได้เวทนาก่อให้เกิดกิเลสได้สัญญาการให้เกิดกิเลสได้สังขารก่อให้เกิดกิเลสได้เวียนญาณก่อให้เกิดกิเลสได้แล้วมันก็ก่อกิเลสอยู่เป็นประจำ เพราะฉะนั้นเมื่อขันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสและกิเลสมีอยู่จึงเรียัดตัวเราทั้งหมดที่มีขันอยู่นี่ว่าเป็นตัวกิเลสหน้าตากิเลสคือหน้าตาเรานั่นแหละการกระทาของกิเลสคือการกระทำของเราเนี่ยความคิดตัวเป็นกิเลสความปวดก็เป็นกิเลสทั้งหมดเพราะมันวีเลสมันยังมีอยู่ในขันตั้งอยู่ในขันทีนี้พระเจ้าบอกว่าสัมมาทิฏฐิ เป็นหนทางเบื้องต้นที่จะเข้าไปแก้ไขกิเลสพวกบอกว่าให้เห็นทุกข์อะไรคือทุกท 4, ข์ทาสี่ขันห้าเป็นทุกข์เนี่ยมันเริ่มแยกไห้ละมันเริ่มแยกนะท้าสี่ขันห้าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะแต่ในท้าสี่ขันห้ามันมีตัวก่อให้เกิดทุกข์อยู่คืออะไรคือตัณหาเริ่มมองเห็นนะ เนิงท่าสี่ขันห้าคือตัวทุกข์ปัญหาที่แทรกอยู่ในท่าสี่ขันห้าเนี่ยมันเป็นกิเลสมันเลยพาให้ขันทั้งหมดคือตัวเราทั้งหมดมีความทุกข์ขึ้นแล้วก็เป็นกิเลสทั้งแท่งทั้งทอันผู้เจ้าจึงบอกว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์สิ่งที่เป็นก่อให้เกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยสมุทัยเนี่ยผู้เล่ากว่าคือตัวที่เราจะต้องละคือตัวกิเลสนั่นเอง คือสร้างความเศร้าหมองสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนความคับแค้นใจความโศกความที่รีพิลายำพันธ์ความปัทนาสินใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นเรื่องของตัณหาเทะนะ่านั้นตัณหาเนี่ยพุทธเจ้าทรงตัดบอกไว้ในอีกศาสนาหนึ่งคือตัดแยกส่วนออกจากธรรมทุก์ทุกกาหนดไว้ตายตัวชัดเจนว่าคือท่าสี่ขันห้าตัณหากําหนดไว้ตายตัวว่า ตัณหาเพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาไม่ใช่ขันทีเนี่ยแต่ตัวทุกเนี่ยมันเป็นตัวขันคือรูปขันเบชนะขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ยมันเป็นขันแต่ตัณหาไม่ใช่ขันมันเป็นความอยากไม่เกี่ยวกับขันเท่านั้นหากมองเห็นทุกได้ก็เท่ากับมอง กิเลสแยกออกจากตัวเราได้แต่ถ้าเรามองเห็นทุกข์ไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะมองกิเลสแยกออกจากตัวเราได้ตัวเราทั้งหมดจึงเป็นกิเลสทั้งแท่งทั้งอันทั้งตัวทั้งขันทั้งหมดเนี่ยเป็นอันเดียวกันพรุทธเจ้าจึงสอนให้เรามองทุกข์คือทาสี่ขันห้า 4, 5, เป็นตัวทุกข์ตัณหาคือเหตุก่อให้เกิดทุกข์ขณะที่เรามีท่าขันอยู่เนี่ยเราก็สร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้กับเราอยู่ตลอด ไม่หยุดไม่หยอดเป็นเพราะอะไรทําไมเราถึงดับมันไม่ได้ก็พอแสดงว่าเราทําตามอำนาจของตัญหาอยู่เรื่อยๆความทุกข์เลยไม่สามารถดับหมดในใจเราปัญหาไม่ใช่ขันมันคืออะไรแท้จริงแล้วมันมันเป็นส่วนหนึ่งตางหากจากความทุกข์มันเป็นอะไรเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปรู้มันเป็นอะไรแต่มันจะแสดงอาการให้เรารู้อยู่ในใจคนทุกคนจะมี ตัวนี้อยู่คือความอยากที่เลือกตัณหามันจะมีอยู่เมื่อมันมีอยู่พระเจ้าให้ทําอะไรกับมันพวกบอกให้ละแต่เราไม่ใช่ไปละที่ตัวตัณหาแต่ละไม่ได้ตัวตัณหาไปละมันไม่ได้เอาทาละมันไม่ได้แล้วทําไมพระเจ้าบอกให้ละพระเจ้าบอกให้ละนั้นไม่ใช่ไปละที่ตัวตัณหาเลยคือไม่ได้ไปละที่ตัวตัณหาตรงๆ แล้วจะทํายังไงกับมันพระุทธเจ้าบอกให้รู้มันรู้ตัณหาไปรู้ว่าตัณหาเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องละมันให้ได้แต่ไม่ใช่ละที่ตัวมันแต่มันจะต้องมีวิธีอื่นละเพราะตัวที่จะไปละปัญหาได้คือมรรคทาไงมรรคถึงจะเกิดมองเห็นตัณหาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยขณะที่มันมีขึ้นเกิดขึ้นในใจเรานั่นอดทนมองดูความอยากหรือตัณหาที่เกิดขึ้นนั้นให้ดับไปด้วยตัวของตัณหาเอง การมองดูตัณหาหรือว่าเพ่งตัณหาก็ได้เพ่งสรรพสิ่งนี้ไม่ทนต่อการเพ่งพินิษเพ่งพิสูจน์ถ้าเราสามารถเพ่งพินิษได้เพ่งพิสูจน์ได้ตัวตัณหาจะดับให้เราเห็นเห็นตัณหาที่เกิดแล้วเพ่งดูมันหยุดดูเพ่งดูอย่าปล่อยให้มันคลาดเคลื่อนจากสายตาสายตานี่ไม่ใช่สายตาภายนอกนะสายตาภายในหยุดดูมันได้เห็นมันดับ หาเห็นการดับไปของตัณหาด้วยตัวของตัณหาเองโดยที่เราไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการของตัณหาที่เกิดขึ้นให้เห็นตัณหาดับไปด้วยตัวของมันเองจากการเพ่งพินิจของเราเราเพ่งดูรู้อยู่การดับไปของตัณหาเรียกวันนิโรธเมื่อนิโรธปรากฏมันก็เป็นมักแล้วมักตัวนี้แหละแล้วเข้าไปดับตัณหาอย่างข้าววอนเพราะฉะนั้นการดับตัณหาไม่ได้ไปดับที่ตัวตัณหาตรงๆ แต่ให้เจริญมรรคขึ้นมรรคคืออะไรสมาธิกลับไปเห็นทุกข์คำว่าเห็นนั้นไม่ใช่มองเห็นแค่ทุกข์อย่างเดียวในคำว่าเห็นนั้นพระเจ้าบอกว่าให้ยอมรับด้วยเรายอมรับทุกข์ได้ทุกครั้งก็เท่ากับเรากําจัดตัณหาได้ทุกครั้งเพราะอะไรทุกข์อยู่ที่ไหนตัณหาจะอยู่ที่นั่นหากยอมรับทุกข์ได้ก็เท่ากับรักตัณหาได้คือจะแก้ไขตัณหาได้เอาไหนบอกว่าต้องเจริญมรรคเพื่อแก้ตัณหาได้ มัจก็คือการกําหนด ร, รู้ทุกข์ด้วยยอมรับทุกขนั่นแหละมันเป็นความฉลาดที่พระผู้เเจ้าในทรงแสดงหลักการอันนี้ไว้แต่เราผูร้รับรู้รับทราบรับฟังไม่ฉลาดจริงๆในครั้งพุทธกาลพรวกไม่ได้สาธยายอะไรมากองค์ก็สาธยายเป็นต่ เ, น เ, นเพียงว่านี้ทุกข์นี้สมุทัยหรือว่าทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธถ้ากามีนีปฏิปทาพระเจ้าก็สาธยายเพียงแค่นี้หรือถ้าจะแจกจแจงพวกก็แจกแจงเพียงแต่ว่า ที่ชื่อว่าทุกเป็นฉะไหนความแก่ก็เป็นทุกความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความเจ็บก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกความเศร้าโศกพิริพิไลําพันก็เป็นทุกความปัญหาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกความคับแค้นใจมันเป็นความทุกและในความเป็นทุกที่พุทธเจ้าทรงตรัสถึงเนี่ยอะไรเป็นตัวแสดงออกถึงความทุกก็คือตัวท่าสี่พันห้าเป็นตัวแสดงออกถึงความทุก พี่เจ้าจึงบอกว่าบ้าโดยย่อ อ, อุปทานขนาดห้าเป็นตัวทุกข์โง่ว่าเนี่ยบ้าโดยย่ อ, อนะโดยพิสดารไม่ต้องพูดถึงขณะดพรธองค์ยังบอกว่าโดยย่ อ, อเลยเอาแบบย่อยๆนี่แหละที่พอเราจะสามารถสรุปได้เพราอว่าตัวเราทั้งหมดเป็นตัวทุกข์และเพราะตัวเราเป็นตัวทุกข์นั่นแหละให้ยอมรับความทุกข์อันเกิดขึ้นที่ตัวเรานี้ให้ได้เมื่อเรายอมรับความทุกข์อันเกิดขึ้นที่ตัวเรานี้ให้ได้โดยไม่ต้องดิ้นหลน กบุญกลฤศเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ภายในสงบนิ่งได้ก็เท่ากับเข้าไปละสมุทยัยเพราะอะไรเพราะว่าสมุทัยจะเจริญด้วยอานาจของการทำตามความอยากอยากของคนคืออยากอะไรอยากที่จะไม่ต้องการทุกอยากที่ไม่ต้องอยากจะเจอทุกอยากที่จะดิน้นลบหนีออกจากความทุกโดยที่ไม่เข้าใจวิธีการแล้ก็ทากัน ตามกับแบบวิธีที่คิดว่ามันจะดับทุกได้แต่ก็ไม่สามารถดับทุกได้หรอกในการระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาถ้ามันดับทุกได้จริงแล้วก็ดับได้แล้วฝ่นนี้ในความคิดของเราเราคิดว่ามันจะดับทุกได้มันดับไม่ได้แต่การทาตามความสอนของพระพุทธเจ้าสามารถดับทุกได้จึงมาปฏิบัติธรรมจึงมาฟังธรรมจึงมาอาศัยอยู่ในป่าในเขา อาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามมาสัมพุทธเจ้าที่พบ่งทรงวางไว้เป็นเครื่องดําเนินหรือเครื่องปฏิบัติและแบบวิธีของพระพุทธเจ้าถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องแม้มาอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความไม่เข้าใจก็แก้ไขทุกข์ก็ไม่ได้ดับทุกข์ก็ไม่ได้ต้องคว้าเข้าใจคําสอนเป็นอย่างยิ่งอ่ะท่องแท้ความเข้าใจเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติหากมีความเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าชัดเจนแล้ว มันจะเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องอัตโนมัติขึ้นมาเองไม่ต้องไปบอกให้ปฏิบัติยากลําบากเลยว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ไม่มีไม่ตนะ้องเน้นย้ำคือความเข้าใจผู้รู้เจ้าในครัง้งพุทการผู้องค์ก็ซักซ้อมทิศสุงก่อนที่จออกไปจากสํานักค์ซักซ้อมไล่เลียงก็ให้เข้าใจในหลักธรรมหลักเกณฑ์สิ่งที่เป็นคําสอนจริงทิศสูงนั้นเข้าใจผู้องค์ก็อนุญาตให้ไปได้เขาก็ไปทําเมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นเวลาทํามันก็ไม่สงสัยอะไร การทาด้วยความข้อใจหรือที่ความเพียรน่ากาจะเพียรแค่ไทีนี้เมื่อเราสามารถมองกิเลสออกว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสเราจะมีวิธีจัดการกับกิเลสได้อย่างแ ย, ยบถายมากมันเป็นปัญญานะเรียกวิญญาณญาณมันจะเกิดขึ้นญาณความรู้รู้อะไรรู้ตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงในความเป็นจริงว่าธาตุสี่ันห้า 4, 5, เป็นตัวทุกข์สมุทัยอันแฝงอยู่และอาศัยอยู่ใน่าตสีทธาตุนี้มันคอยแต่จะควบคุมบังคับกายให้เป็นไปตามอํานาจของมันหากเรามีสติควบคุมกายไว้ในเบื้องต้นได้ไม่ทําตามอำนาจของมันแล้วมันก็หมดอานาจเพราะฉะนั้นกา ย, ยาลุปัสนานในสติปัฏฐานสูตรในข้อแรกที่พระองค์ทรงสอนไว้นั่นให้ควบคุมกายก่อนเพราะตัวที่จะสั่งการกายอยู่ภายในมันมีกิเลสแฝงอยู่มันมีพลังอํานาจ โดยที่เรามองมันไม่ออกหรอกบางครั้งมันเอากุศลมาอ้างว่านี่คือกุศลควรทําเราก็รู้ไม่เท่าทาันเราไม่ได้หยุดดูหาสังเกตดีๆในกุศลจิตนั้นมันจะมีแรงทยานอยากอ ย, กอยู่ในนั้นถ้ามีแรงทยานอยากอยู่นั่นแหละมันกิเลสแหละถ้าเราไม่สังเกตจะมองไม่เห็นขันไม่ใช่กิเลสรูปปัน้นไม่ใช่กิเลส แยกเวลานั้นเลยนะกุศลจิตเกิดขึ้นครั้งหนึ่งปาลบกุศลที่จะกระทาดีเนี่ยกระทาคุณงามความดีกระทาบุญเนี่แยกตอนนั้นเลยรูปประคันเป็นกุศลเลือกกุศลไม่ใช่ไม่ใช่กุศลแรกกุศลเลยรูปประคันเวทนาขันเป็นกุศลเลือกกุศลก็ไม่ใช่สัญญาขันเป็นกุศลเลือกกุศลก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างสังขารขันเป็นกุศลเลือกกุศลก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง วิญญาณขันเป็นกุศลหรือกรรอกุศลก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างถ้าเราแยกออกเราจะเห็นเลยว่ากิเลส ท, ที่มันเป็นตัวผลัก ด, ดังมันนอนเนื่องอยู่ภายในใจเห็นชัดถ้าเราแยกอย่างนี้เมื่อเราแยกแล้วเห็นตัวกิเลสได้ใช้สติควบคุมกายยามเพิ่งกระทำตามอำนาจแห่งกุศลจิตที่จะบังคับให้จิตกระทำสิ่งที่เป็นกุศลในเวลานั้นเพลงพินิษฐ์ จนให้เห็นอำนาจของตันหาที่บรรขัดดันอยู่ภายในเนี่ยดับไปให้เห็นให้ชัดเมื่อเราสามารถเพ่งพินิษเห็นตันหาดับไปได้แล้วเราก็สามารถทำกุศลได้โดยที่กุศลนั้นไม่มีกิเลสแฝงอยู่เนี่ยเป็นหลักปัญญาที่แยกถ่ายเป็นตัวอยา่างยานเราจะรู้อย่างนี้แต่ถ้าคนไม่เกิดยานแยกไม่ออกเลย อะไรเป็นยังไงเป็นยังไงมันมันยังไงมันเกิดกิเลสตอนไหนมันยังไงแม้แต่จับดูการเกิดดับก็ยากยากมากเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องทาความเข้าใจเลยปริจารณ์จึงสอนกายานุปัสสนาเป็นสติปัฏฐานเบื้องต้นมีสติอยู่กับกายก่อนแม้กิเลสจะเกิดขึ้นภายในถ้ากายไม่ทําตามมันมันก็หมดอํานาจไปเองไม่มีอานาจมันจะรุนแรงแค่ไหนถ้าไม่ทําตามมันสอย่างมันก็หมดอํานาจไม่มีอำนาจ มันจะสั่งให้เราทําอะไรก็ได้กิเลสภายในน่ะสั่งให้ทําดีก็ได้สั่งให้ทําชั่วก็ได้แล้วเราก็ทําดีทําชั่วกันได้แต่ถ้าเราลองไม่ทำมันเนี่ยมันจะเดือดร้อนนั่นแหละอาการที่เดือดร้อนนั่นแหละสําคัญมากม น, นั่นแหละกิเลสนั้นลองไม่ทําตามมันเราจะทําเพื่ออะไรทําเพื่อให้เค้นให้รู้กิเลสจริงๆในจิตเราเพื่อให้แยกให้เห็นให้ชัดยังอยู่ในฝ่ายเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันฝืนกิเลสขัดกับกิเลสแน่ ในป่านไม่มีกิเลสหรอกต้นไม้ภูเขาไม่มีกิเลสหรอกศาลากุ ต, ติโรงครัวไม่มีกิเลสหรอกแต่พอคนมาอยู่นี่เอาละมันไม่เข้ากันกับธรรมชาติเลยสแสดงกิเลสออกมาทุกรูปแบบก็ทําได้ทําดีแค่ไหนก็ยังเป็นกิเลสอยู่นะถ้าไม่เข้าใจเพราะงั้นการปฏิบัติทํรเราต้องแยกให้ออกอะไรเป็นกิเลสอะไรนี่ใช่กิเลส แต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทําดีทําดีผู้เจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรเจริญขึ้นจเจริญขึ้นแต่ต้องเจริญขึ้นด้วยปัญญารู้และเข้าใจในสิ่งที่ตนเองกระทาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าสิ่งที่จะควบคุมกายได้คือศีลน่ะศีลควบคุไมไปแล้วนะแต่จะรักษาศีลหรือสมาทานศีลอย่างไงก็ตามหากกายยังละเมิดศีลก็ควบคุมไม่ได้ศีลจะมีอรูปภาพก็ต่อเมื่อเราศ ร, รัทธาในศีลอย่างแท้จริง ที่จะควบคุมตัวเรากํากับกายเลยปานอาทิปาตากํากับกายเด็ดขาดเลยแล้วเนี่ยปานาชื่อสัตว์สิ่งมีชีวิตอตทิปาตาทําให้ตก ว, วงไปบังคับตายตัวเลยว่าเป็นเรื่องของกายศีลเป็นเครื่องควบคุมกายเป็นกายานุปัสนายอย่างหนึ่งศีลไม่ใช่ฝึกกายานุปัสนาจะพีดูแต่ยกนอย่างน้อยเหนยียบนอยหรือพป่ฝึกกายานุปัสนาแบบ แบบไหนก็ตามที้เฝึกกันฝึกกายยาะะนุปัสษนาก็ฝึกที่ศีนนี่แหละควบคุมกายศีลห้ศีล8ดศีลสิบศีล2อรเจ็ดรือ่จัตุปาริสุทธีศีนก็คอบคุมขอบคุมในอาชีวะปริสุทธีศีลศีนทั้งหมดควบคุมกายสมาธิควบคุมกิตปัญญา รู้แจ้งตามความเป็นจริงคือทําการละกิเลสละกิเลสในจิตแสดงว่ากิเลสไม่ได้อยู่ในกายกิเลสมันอยู่ในจิตศีลควบคุมกายสมาธิควบคุมจิตปัญญาละกิเลสในจิตกายไม่ใช่กิเลสมองตามหลักความสอดดนครูเลยจ้าแต่เมื่อกิเลสมันมีอยู่ กายจึงเป็นของมีกิเลสไปด้วยทีนี้เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแม้กายจะไม่มีกิเลสอยู่แต่กิเลสแฝงอยู่ในจิตจิตควบคุมกายก็เท่ากับว่ากิเลสควบคุมกายไปด้วยหรือกิเลสแผ่ออกมาทางกายด้วยมันเป็นเครื่องมือของกิเลสกายนะพวงจึงมีศีลให้เป็นเครื่องควบคุมควบคุมกายไหมเป็นกายยานันตปรสนาพอเราควบคุมกายได้แล้วกิเลสก็ ไม่ละเมิดออกไปไม่ทําตามอำนาจของมันเมื่อมันไม่รับการตอบสนองมันก็ดิ้นหลนภายในคือรักษณะสินแรกๆหอโอโหยุ่งยากวุ่นวายอะไรไม่ถูกอะไรถูกอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรผิดอะไรไม่ผิดเหตนากรดเว้นกันใหม่พลาดแล้วก็เว้นใหม่พลาดแล้วก็เว้นใหม่กันอยู่นั่นแหละถ้ามันไม่มีกิเลสจีมันคงไม่ผ่าดหรอกเรื่องของสิน แต่พอมีกิเลสเลยพา ก, กันผ่าดอยู่ด้วผ่านและสมาทานกันใหม่ผ่านและสมาทานกันใหม่ศีลาาทุกข้อควบคุมกายไม่ว่าจะเป็นศีลหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อแต่ข้อสี่ข้อหรือ2องยบเจควบคุมกายเป็นทางออกของกิเลสเป็นเครื่องต่อสนองของกิเลสกายวาจาสมาธิ ควบคุมจิตจิตก็ยังเป็นเครื่องมือของกิเลสอย่างหนึ่งมีตัวกิเลส ย, ยุให้คิดเมื่อคิดจึงลงมือกระทํากิเลสที่ยุให้คิดก็ตัณหาสามเนี่ยกลายเป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งกายเวทนาจิตเป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุก์ตัณหาคือตัวสมุทัยเห็นที่เกิดทุก ตัวนี้คุมกายไว้ได้ไม่เป็นามแ ป, ปอำนาจแห่งตันหาก็สงบกิเลสไปในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้มีสมาธิก็ควบคุมจิตไม่ให้เป็นไปตามอำนาจแห่งความคิดที่กิเลสคอยสั่งการบังคับให้คิดก็ทำให้กิเลสสงบลงไปในระดับหนึ่งได้ปัญญาทีนี้ตัวนี้แหละตัวจะฟาดกับกิเลสมันจะฟาดได้ยังไง เมื่อมองเห็นการเกิดขึ้นของอำนาจแห่งตันหาที่มันเกิดขึ้นที่มันจะพอยก่อให้เกิดความทุกข์ปัญญาจะต้องฉเฉลียวฉลาดคือเห็นอานาจตันหาเกิดขึ้นอย่าคลอยตามอย่าเผลอย่าลืมตัวอย่าเผลอที่จะทําตามความอยากอย่าคลอยตามที่จะทําตามความอยากอย่าลืมตัวที่จะทําตามความอยากให้ใช้ปัญญานั้นเพ่งพินิษพิจารณาเห็นตันหานั้นเป็นของไม่เที่ยง คือเกิดขึ้นแล้วเห็นตัวตัณหานั้นดับไปน่นวานิจังทุกขังและนักตายอยู่นั้นให้จิตเห็นอย่างนั้นปัญญาต้องคุมควบคุมเนี่ยศีลควบคุมกายเวลาสมาธิควบคุมจิตแล้วปัญญาให้เข้าไปเห็นการเกิดและการดับของตัวตัณหาการเห็นการเกิดการดับนั่นคือเห็นทำกิจของไตรลักษณ์คือเห็นอานิจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์เมื่อมันจเจริญเต็มที่ก็เท่ากับธรรมมัต ทั้งหลายให้บริบูรณ์คือสมาธิให้บริบูรณ์เมื่อสมาธิบริบูรณ์สมาสังกัดป่ากันดําดิก็จะเป็นของบริบูรณ์ธรรมวาจากรรมตะอาชีวะวายามะสติสมาธิจะเป็นของบริบูรณ์ขึ้นมาเมื่อมากทั้งหลายบริบูรณ์แล้วมันจะปานหานกิเลสได้ อ, อย่างสิ้นเชิงวิธีการที่อธิบายมามันเป็นอย่างนี้แต่ให้ทําตามนี้ทําตามไม่ได้หรอกแล้วจะให้ทํำยังไง ก็ให้ทำตามที่เคยสอนมาทั้งหมดที่ารากายโดยการแยกแยกกายเป็นธาตุสีด่ดินน้ำไฟลมเบื้องต้นที่ท่องธาอันนี้ขยับต่อมาก็ไปนพิจารณาร่างกายขยับต่อมามาดูอาการเกิดดับของขันเนี่ยที่ทำมันจะเป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นขณะที่ทำการพิจารณาอย่างที่ว่าเนี่ยที่ท่องธาตอ้ากกายก็ไม่ไปค่าสัตว์ เนีย่ยไปรักัพย์ไม่ไปพึป่งผีใกรรมไม่โกหกไม่ดื่มโซด า, าขณะที่พี่นาะร่างกายอยู่แยกร่างกายเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมกายก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เปลนรักทรัพย์มนันไปพึ่งผีในกรรมไม่โกหกไม่ดืงจุลดนขณะที่ดวโลมเกิดดักอยู่นะั่นคือน้าพี่นาเข้าไปในจิตเนี่ยดวงลมเกิดดักมันก็ไม่ได้ไปคิดที่ยะฝันปาฏิบาติรักทัพย์ ก็เพื่อปิดเอกามโคหตื่นสุลาแล้วก็มีคิดมีแต่จดจ้องดูการเกิดดับเป็นศีน ส, สมาธิอยู่ในนั้นเกิดขึ้นพร้อม mm hmm. เมื่อมันเต็มบริบูรณ์เต็มที่ของมันในองค์มรรคก็ ท, ทําลายกิเลสสีล mm hmm. สมาธิปัญญาจึงเป็นของบริบูรณ์กันด้วยประการชนี้แล้วก็มีกําลังที่จะประหารกิเลสได้เนีย่ยเป็ น, น mm hmm. หลักการรูปแบบวิธี ที่ได้สอนไปอันนี้มาอธิบายเพื่อให้ทราบและเข้าใจเพื่อให้เรามองให้มันออกถ้าเรามองไม่ออกเราจะแก้กิเลสไม่ถูกตัวเมื่อเราแก้กิเลสไม่ถูกตัวอะไรควรรู้เราก็ไม่ได้รู้อะไรควรละเราก็ไม่ได้ละอะไรควรทำให้แจ้งเราก็ไม่ได้ทำให้แจ้งอะไรควรเจริญขึ้นเราก็ไม่ได้ทำให้เจริญขึ้นทุกข์เป็นของควกําหนดรู้เราก็ไปกำหนดรู้ตัวอื่นเราไม่ได้กาหนดรู้ทุกข์าว่ากาหนดรู้นันคือการยอมรับทุกข์ ถ้าเราไม่ไม่สามารถแยกกิเลสออกได้ว่าอะไรคือกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสเราก็กําหนดรู้ทุกไม่ได้คือยอมรับทุกไม่ได้จะไปยอมรับแต่ส ม, มุทัยคือตัณหาทีนี้อส๋ส ม, มุทัยพุทธเจ้าบอกให้ให้ละไม่ใช่ไปยอมรับมันแต่มรุดโดยส่วนมากยอมรับส ม, มุทัยไปละทุกละคือไม่ต้องการทุกน่ะไปละมันผิดพุทธเจ้าบอกว่าทุกยอมรับส ม, มุทัยให้ละ ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องสลับกับสินวงทรงสอนมันก็พ้นทุกไม่ได้สักทีทุกเราไปละมันสมุทัยเราไปยอมรับนีโรดไม่ต้องรู้ไม่ต้องพูดถึงหรอกไม่มีฐานหินมักไม่ต้องพูดถึงมืดแปด้านเลยทีเดียวมันก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์อย่างนี้เเพราะสมุทัยมัน ไ, ไปยอมรับมันอ่ะคือตัวเหตุเหตุให้เกิดทุกข์มีอยู่ไปยอมรับมันเมื่อเห็นให้เกิดทุกข์มีอยู่ยทุกข์ ก, ก็ต้องมีอยู่ตลอด แ น, น, น่นอนไม่ต้องสงสัยเลยเพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> การทำความเข้าใจหลักคำสอนคือทำความเข้าใจในตัวเราตัวกายตัวจิตแ ย, ยกมันออกอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเกลสเราก็จะสามารถกำหนดรู้คือยอมรับทุกได้ละสมุทัยได้อำนิโรดให้แจ้งได้เจริญมรกคได้ กำนดรู้ทุกคือกำหนดรู้กายละสมุทัยคือละปัญหาเกิด ข, ขึ้นภายในจิตทำนิโรธให้แจ้งคือเห็นตัญหาดับไปอยู่ บ, บ่อยๆเรียกว่าทำนิโรธให้แจ้งจเจริญมรรคคือเห็นทุกและยอมรับได้เห็นสมุทัยเกิดขึ้นแล้วตั้งความเพียรที่จะละมันแล้วก็พเมื่อปัญหา ดับข้อความเพียนในการเพ่งพินิจดูก็เป็นนิโรธอย่างนี้แหละคือมรรคมันจะเจริญขึ้นมรรคก็เป็นของปวดเจริญขึ้นคือเห็นทุกละสมุทรไทยทำนิโรธให้แจ้งเป็นทุกละสมุทรไทยทำนิโรธให้แจ้งเห็นทุกละสมุทรไทยทำนิโรธให้แจ้งอย่างนี้หากอิริยาบทแห่งการบำเพ็ญเพียนหรือทําความภาคเพียนเราทําได้ติดต่อเนื่องอยู่พระโสดาบันสากอาทาคามียนาคามีอรหันมันไม่หนีไปไหนหรอก มันอยู่ในสิ่งที่เราก็ทําอยู่นี่ไหนมันมันเพียงแต่ว่ารอเวลาที่เราจะทํา เ, เต็มพร้อมเต็มมูลเต็มภูมิแห่งการปฏิบัติเมื่ อ, อไหร่มันมีภูมิเมื่อการปฏิบัติอยู่นะความทุกข์เรายอมรับทุกใจทุกครั้งก็เท่ากับรากิเลสได้ละตัณหาได้ทุกครั้งเมื่อละตัณหาได้ทุกครั้งก็เป็นนิโรธ ท, ท, ทุกครั้งเมื่อนิโรธปรากฏก็เป็นมรรคทุกครั้งเนี่ยอยู่ที่แค่เนี่ยถ้าหากเราไปยอมรับทุกในคาข้อนี้ จะมีทุกข์รอเราในเบื้องหน้าในภพหน้าในชาติหน้าอีกหลายชาติอีกหลายพบซึ่งไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ถ้าหากเรายอมรับทุกข์ในชาตินี้ได้ทุกข์ในภพหน้าก็จะย่นลงมาไม่มีในภพหน้ามันจะลงมาสู่พบนี้ชาตินี้เพื่อให้เรากำหนดรู้มันแล้วเราก็รู้ทุกข์รู้ทุกข์ูทุกข์รู้ทุกข์รู้ทุกข์อยู่ทุกทุกสภาวะที่มันฐานเข้ามาในจิตในใจได้มันก็ย่นย่นย่นย่นยนมาให้เราหลอบรู้มัน พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าที่ท่านสิ้นสัมภิเต็มไม่มีทุกข์ชนิดใดเลยที่ท่านไม่รู้ท่านจะต้องรู้จากทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสกับองค์ท่านเมาทางังจิตผ่านเขามาในทางขันแล้วเป็นความทุกข์ที่ถูกพิจารณาแล้วเรียบร้อยด้วยปัญญาอย่างท่านจึงละมันได้จึงไม่มีทุกข์ในพบหน้าให้เป็นละอีกทุกข์ในพบนี้ท่านทํามาจน จนเรียวกว่าไม่ปฏิเสธมันแม้แต่ขนาดจิตหนึง่งแต่ถ้าเราบุรุษชนมีการปฏิเสธฝนตกอย่างนี้นทำไมมันตกอย่งางละค น, นเรื่องแดดออกแรงก็เออแดดทำไ ม, มันออกแรงอย่างวะฝนตกก็กำหนดรู้ทุกมันเป็นทุกเป็นทุกข์สัตริย์เป็นความจริง แดดออกก็เป็นทุกข์กระสั h, ความจริงอากาศหนาวก็เป็นทุกข์กระสั h, ความจริงหิื่ก็เป็นทุกข์กระสับ่วงนอนก็เป็นทุกข์กระสัมันมีแต่ทุกข์กระสัที่จะต้องกำหนดรู้มีทุกหลายอย่างที่เราต้องกําหนดรู้หากเราพลาดที่จะกําหนดรู้ความทุกข์มันจะมีพบหน้าให้เราไปกําหนดรู้มันหาเรากําหนดรอบรู้ทุกข์ในภพนี้จนหมดสิน้นทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับเรา มันจะถูกควบคุมด้วยปัญญาเรื่องระดับของสติแล้วเราก็จะละมันได้เมื่อละมันได้แล้วถ้าชาติหน้าเราไม่ต้องไปละอะไรมอีกเนี่มันก็เป็นผู้ดำเนินกิจในทางศาสนานี้ถึงจุดจบขอเป้าหมายในกา ร, รดำเนินชีวิตในโลกนี้แล้วก็เข้าใจในพระธรรมเข้าใจในศาสนาเข้าใจในความจริงแล้วก็จบทุกอย่างที่จะดำเนิน ตนเองไปสู่พบชาติในวัฏสงสารนันยานิยจบหมดแล้วเรียกวจบกิจเดี้ยมจบแต่เรียนทางโลกมันไม่จบอยู่กับทางโลกมันไม่จบแต่ทางทรรมันจบจบได้จบได้จริงมีที่จบมีที่สุดจบอยู่กับตัวเราถ้าจะต่อก็ต่ออยู่ที่ตัวเราไม่เป็นอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสิ่งที่ มีความสําคัญมากสําหรับผู้ปฏิบัติจะละเลยไม่ได้ต้องแยกภัยจะใช้อารมณ์เข้ามาเป็นเครื่องนําทางไม่ได้ต้องใช้สติต้องใช้ขันติต้องใช้วิริยะต้องใช้ศรัทธาต้องใช้ปัญญาสิ่งที่ต้องใช้ก็มีองค์ธรรมมากมายให้เรามาใช้ในขณะที่เราปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ใช้องค์ธรรมเหล่านี้กม็มีทางที่จะก้าวข้ามพ้นไปในวัฏจักรนี้ได้ก็ไม่สามารถยกตัวเองให้พ้นไปจากกองทุกข์ได้ นอกจากจะไม่สามารถยกตัวเองขึ้นไปจากรองทุกได้ก็ยังจะทําให้ตัวเองบกจมอยู่ในทุกในวัตาอนนี้อีกยาวนานแม้จะทําคุณงามความดีก็ดีในวัตาอันนี้ไปจนที่สุดของวัตตาได้รับผลดีอยู่แต่ก็ไม่ี้นทุกเนี่ยจาไม่เข้าใจดีเพราะฉะนั้นทั้งดีและไม่ดีเราต้องทําความเข้าใจให้ดีทําความเข้าใจให้มันตรงแยกให้ออกอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลส เมื่อเรารู้จักการแยกและทําความเข้าใจได้จุดที่จะละมันก็มียางมันจะรู้เองในตัวเรารู้มันจะมันจะต้องมีตัวที่จะต้องรู้ในตัวเองมันเป็นปัจจิตังมันเป็นสันติธิโกะธรรมะตอนจริงเมื่อรู้ในตนเองเข้าใจในตนเองมันก็จะแก้ไขในตัวของมันเองละในตัวของมันเองดับในตัวของมันเองหลุดในตัวของมันเองพ้นในตัวของมันเองเขามาหลุดพ้นก็ไม่ดี ใช่แค่ศักแต่ว่าได้ยินแต่ชื่อพอมันหอมหูเท่านั้นมันต้องไปเจอสภาวะหลุดและพ้นนั้นจริงๆให้ได้ด้วยตัวของเราแล้วเราเมื่อไปเจอแล้วมันคําคํานี้มันถูกต้องจริงๆคาว่าหลุดพ้นเนี่ยถูกต้องเป๊ะเลยหาที่แย้งไม่ได้เลยมุกใครใช้คํานี้ใครแปลความหมายคํานี้ออกมาไม่ดูมันตรงเป๊ะกับธรรมชาติาที่เกิดขึ้นหลุดแ ล, ล้วก็พ้นเป็นสภาวะที่ไม่ก่อนไม่หลังอะ่ะขณะหลุดก็ขณะนั้นก็คือพ้นเลยทันทีเลย ภาษาบาลีเดียกวุาวิบูติแปลว่าหลุดพ้นคำนี้นี่ตรงกับหลักธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่เป็นจริงนะหลุดพ้นยอดเยี่ยมมากครับคัดค้านไม่ได้แต่ก่อนก็ไม่เข้าใจเพราะยังไม่เจอสภาพที่หลุดพ้นจริงๆพอมาหลุดพ้นออกมาได้แล้ว แม่มันตร ง, งคําำนี้ทำไมมันตรงกันหลุดพ้นเนี่ยังไงก็อธิบายทำมาก็เพื่อจะให้ทราบถึงแนวทางในการหลุดพ้นว่าเราจะหลุดพ้นยังไงก็เห<อ>็นมากพอสมควรแก่เวลาเอวังไต้งเทมากหรอก<ม>อเ ท, มา ก, ก ม, เทมากเดี๋ยวจะงงแช่นี่ห เอาไปให้ฟันก็เยอะเลยแย่แล้วนี่นั่นฟันนี้นั่นกนเหมือนๆกั น, น